วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ส6บกกันยายนพุทธศักราช2561เป็นวันที่ศรัทธายาติโยมไม่ต้องไปทำงานทำการกันยังมีเวลาว่างที่จะมาวัดมาฟังเทศฟังธรรม มาฟังวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะได้มรรคถึงจะได้ผลเพราะการปฏิบัตินี้ก็มีหลายวิธีด้วยกันคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เป็นวิธีหนึ่ง ปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบก็เป็นเอกวิธีหนึ่งคือปฏิบัติดีปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ถูกผลก็จะเกิดไม่เหมือนกันผลก็จะมีมากน้อยต่างกันไปเพราะเหตุเป็นสิ่งที่ตามมาจากผล เพราะผลเป็นสิ่งที่ตามมาจากเหตุผลดีก็เกิดจากเหตุดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุไม่ดีมรรคผล น, ผนิพพานอันประเสริฐจะเกิดหรือไม่เกิดก็อยู่ที่การปฏิบัติดีหรือไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่ปฏิบัติชอบนั่นเอง ดังนั้นผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนจะไม่รู้ว่าวิธีปฏิบัติธรรมที่เป็นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นอย่างไรก็อาจจะไม่สามารถปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ไม่สามารถได้รับมรรคผลนิพพานอันประเสริฐได้ไม่ใช่เพราะขาดความสามารถ ทุกคนที่สามารถเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มีความสามารถที่จะปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานได้กันทุกคนอยู่ที่ว่ารู้วิธีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่เท่านั้นเองถ้าไม่รู้ก็ปฏิบัติแบบมวยวัดมวยวัดกับมวยที่มีครูมีอาจารย์ ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเรียนวิชาอะไรถ้าเรียนด้วยตนเองไม่มีครูอาจารย์คอยสั่งคอยสอนก็จะเป็นแบบมวยวันคือลองผิดลองถูกทำมากบ้างทำน้อยบ้างถ้ามีครูมีอาจารย์จะสอนวิธีว่าจะต้องทํามากอย่างไรทําน้อยอย่างไรอันนี้ จึงจำเป็นจะต้องมีผู้สั่งผู้สอนผู้ที่จะสั่งสอนให้ผู้ปฏิบัติได้ถึงมรรคผลนิพพานก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองพระพุทธเจ้าตอนนี้ท่านก็จากพวกเราไปแล้วแต่จากไปเพียงพระวรกายแต่องค์ของพระพุทธเจ้าองค์ของาศาสดาองค์ของพระบรมครูไม่ได้จากพวกเราไป เพราะพระองค์ได้ทรงตัดสั่งไว้ก่อนที่จะจากไปว่าธรรมวินัยธรรมะที่เราได้สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกนี้จะเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไปนะพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาถ้าเธอมีธรรมวินัยคือพระธรรมที่ได้ทรงบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎก เรียกว่าพระธรรมวินัยพระธรรมเป็นคำคำสอนพระวินัยเป็นคําสั่งคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนี้คือพระบรมศาสดาของพวกเราดัางนั้นเราไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดานอกจากศาสดาแล้วยังมีพระอริยสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้ที่จะนําเอาคําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้ามาแสดงมาขยายความหมายให้ผู้ศึกษาได้ฟังกันอย่างเข้า อ, อกเข้าใจและสามารถนําเอาไปปฏิบัติให้เกิดมรรคเกิดผลขึ้นมาได้อย่างแน่นอนดังนั้นผู้ปฏิบัติถ้าอยากจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ต้องเข้าหา พระศาสดาคือหาพระธรรมวีนัยที่ได้สง่งสั่งสงสอนไว้และได้มีการบันทึกเก็บเอาไว้ในพระไตรปิฎกหรือเข้าหาพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเข้าไปฟังเทศฟังธรรมสอบถามธรรมถ้ามีควา ม, ามลังเลสงสัยแล้ว จะได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบว่าเป็นอย่างไรเมื่อรู้แล้วจะได้นำเอาไปปฏิบัติต่อไปเมื่อได้ปฏิบัติแล้วผลคือมรรคผลนิพพานมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งจะตามมาอย่างแน่นอนสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรจะมีในการปฏิบัติ ก็คือต้องมีมีการตั้งเป้าหมายของการปฏิบัติว่าจะปฏิบัติในระดับไหนในกำลังที่ตนเองมีอยู่การปฏิบัตินี้ก็ปฏิบัติจากน้อยขึ้นไปหามากนั่นเองเพราะเวลาเริ่มปฏิบัตินี้จะปฏิบัติได้ไม่มาก เหมือนกับเด็กทารกไม่สามารถทำอะไรได้มากแต่พอเด็กจเจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับความสามารถที่จะทำอะไรต่างๆก็มีเพิ่มขึ้นไปตามลำดับผู้ปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเวลาเริ่มต้นก็อาจังยังจะเป็นเหมือนเด็กทารกอยู่ก็จะปฏิบัติไป เท่าที่จะสามารถปฏิบัติได้แต่ไม่ควรที่จะหยุดอยู่ที่ตรงนั้นควรที่จะตั้งเป้าหมายให้มีการเพิ่มการปฏิบัติขึ้นไปตามลำดับเหมือนกับการไปโรงเรียนก็เริ่มต้นที่โรงเรียนในระดับอนุบาลแล้วก็ขยับขึ้นไปสู่ระดับประถมระดับมัธยม ระดับอุดมศึกษาตามลำดับจนในที่สุดก็จบปริญญากันปริญญาตรีบ้างโทบ้างเอกบ้างถ้ามีการศึกษาไปเรื่อยๆไม่มีการหยุดก็ต้องได้ปริญญาเอกกันทุกคนที่ไม่ได้ปริญญาเอกกันทุกคนก็เพราะหยุดการศึกษานั่นเองบางท่านได้ปริญญาตรีก็หยุด ไปทำอย่างอื่นแทนไปทำงานทำการไปมีครอบครัวก็เลยไม่สามารถได้รับปริญญาโทรหรือปริญญาเอกบางท่านก็ตอบปริญญาโทบางท่านก็ตอบปริญญาเอกอันนี้อยู่ที่การริ่มเรียนถ้ามีการริ่มเรียน การสําเร็จปริญญาก็จะต้องมีเป็นผลตามมาอย่างแน่นอนฉันได้การปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นเป็นการปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนไปปฏิบัติเป็นปริมาณของความสามารถว่าเราจะปฏิบัติ ได้ในระดับไหนระดับร้อยละสิบในระดับร้อยละยี่สิบในระดับ 120, ร้อยละสามสิบ 130, จนไปถึงในระดับเต็มร้อยการปฏิบัติทมจะวัดด้วยปริมาณของการปฏิบัติส่วนขั้นของการปฏิบัตินี้ก็จะปฏิบัติไปพร้อมๆกันได้ทำที่ ผู้ปฏิบัติต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี้จาเป็นจะต้องปฏิบัติทำอยู่สามขั้นด้วยกันคือทานศีลภาวนาการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้ก็ปฏิบัติไปพร้อมๆกันได้แต่ปฏิบัติมากหรือปฏิบัติน้อยเท่านั้นเองเวลาเริ่มต้นก็ปฏิบัติได้น้อยเช่นอาจจะเริ่มต้นที่ร้อยละสิบ ทำทานร้อยละสิบรักษาศีลร้อยละสิบภาวนาร้อยละสิบของความสามารถของเวลาที่เรามีอยู่ทำทานร้อยละสิบก็คือเสียสละเงินทองที่เรามีอยู่ทั้งหมดในร้อยละสิบก่อนเช่นเรามีร้านหนึ่งก็สละไปแสนหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าทำทานร้อยละสิบ รักษาศีลร้อยละสิบก็คืออาจจะรักษาได้แค่วันพระวันเดียวหรือสองวันวันพระกับวันโกนส่วนวันอื่นยังรักษาศีลห้าไม่ได้ก็ บ, บริบูรณ์อย่างนี้ก็เรียกว่าร้อยละสิบภาวานาร้อยละสิบก็นั่งสมาธิวันละครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าร้อยละสิบ เ้าถ้าเราทําอยู่เพียงแค่ระดับนี้เราก็จะได้ผลแค่ระดับนี้จะไม่สามารถที่จะได้รับผลที่มากกว่านี้ได้เพราะเหตุมันมีเท่านี้เหมือนชาวนาที่ปลูกข้าวอสิบไร่ก็จะได้ข้าวสิบไร่เท่านั้นเองถ้าปลูกข้าวยี่สิบไร่ ก็จะได้ปริมาณของข้าวเพิ่มขึ้นไปตามจำนวนของเนื้ อ, อที่นาที่ได้ปลูกข้าวเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกันผู้ปฏิบัติก็จำเป็นที่จะต้องอปฏิบัติเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหากต้องการที่จะให้ได้ผลอย่างเต็มที่ก็จะต้องขึ้นไปถึงร้อยละร้อย ถึงจะได้ผลอย่างเต็มที่ได้ผลน้อยลร้อยถ้าปริญญาก็ปริญญาเองถ้าไม่เต็มที่ผลก็จะไม่เต็มที่อาจจะได้ขั้นระดับต่ำไปก่อนแล้วก็ถ้าไม่เพิ่มการปฏิบัติก็จะไม่สามารถขึ้นสู่ระดับกลางระดับสูงขึ้นไปได้ การจะขึ้นแต่ละขั้นแต่ละชั้นของการปฏิบัตินี้ขึ้นอยู่ที่ปริมาณของการปฏิบัติดังนั้นการที่เราจะปฏิบัติให้เจริญคืบหน้าได้นี้เราจําเป็นจะต้องมีการวางแผนมีวางแผนของการปฏิบัติว่าเราจะปฏิบัติปีนี้ร้อยละสิบปีต่อไป เพิ่มเป็นร้อยี่สิบหรือบางคนอาจจะเพิ่มทุกเดือนก็ได้เดือนแรกร้อยะสิบเดือนที่สองเพิ่มเป็น 120. ร้อยละยี่สิบแล้วแต่จะกำหนดเอาถ้าไม่มีการกำหนดถ้าปฏิบัติไปตามความรู้สึกวันไหนอยากจะปฏิบัติอยากจะทำก็ทำ วันไหนไม่อยากจะทำก็ไม่ทำอย่างนี้เหตุมันก็จะไม่ดีไม่เรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนถ้าเหตุดีนี้ต้องปฏิบัติตามเวลาที่เราได้ตั้งเอาไว้เหมือนกับโรงเรียนที่เขามีตารางเรียนนักเรียนไปโรงเรียนจะต้องเข้าห้องเรียนเวลาแปดโมงเช้า วิชาแรกต้องเรียนหนึ่งชั่วโมงวิชาที่สองก็อีกหนึ่งชั่วโมงแล้วอาจจะมีการพักสิบห้านาทีให้เข้าห้องน้ำห้องท่าหลังจากนั้นก็มาเรียนวิชาต่ออีกหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงไปตามลำดับถ้ามีการกำหนดตารางและมีการบังคับให้เข้าห้องเรียนให้มีการเรียน นักเรียนก็จะได้เรียนรู้ความรู้ผู้ปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องกำหนดการปฏิบัติของตนว่าจะต้องปฏิบัติวันละเท่าไหร่จะต้องทำบุญวันละเท่าไหร่จะต้องรักษาศีลเท่าไหร่จะต้องภาวนากันเท่าไหร่ถ้าไม่มีการกำหนด ก็จะถะเละถลยได้เหมือนเด็กถ้าไม่มีการควบคุมบังคับให้ไปโรงเรียนเด็กจะงองแงพอถึงเวลาไปโรงเรียนจะไม่อยากไปจะงองแงจะร้องถ้าพ่อแม่ใจอ่อนก็ตามใจเด็กต่อไปเด็กก็จะไม่มีความรู้เพราะไม่สามารถไปโรงเรียนได้เมื่อไม่ไปโรงเรียนไม่เข้าห้องเรียน ก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรแต่ร่างกายก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆความรู้ไม่ได้โตตามร่างกายไปก็ยังเป็นเหมือนเด็กทารกอยู่ในเรื่องของความรู้อันนี้ก็เหมือนกันจิตใจของพวกเราที่ต้องการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายก็จะผ่านไปผ่านไป ถ้าเราไม่ได้มีการสั่งสอนจิตใจจิตใจที่เคยโง่อยู่อย่างไรก็จะโง่ต่อไปจิตใจที่ถูกอวิชชาครอบงําอยู่ก็จะถูกอวิชชาครอบงําต่อไปแต่ถ้าได้มีการศึกษาได้การปฏิบัติธรรมก็จะมีแสงสว่างแห่งธรรมเข้าไปลบล้างอาวิชชาที่ครอบงําจิตใจ ที่ทำให้จิตใจมืดบอดทำให้จิตใจหลงผิดเป็นชอบเห็นการเวียนว่ายตายเกิดว่าเป็นสุขถ้าได้มีแสงสว่างแห่งธรรมเข้าไปในใจใจจะเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์ใจจะเห็นสาเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดว่าเกิดจากตัณหาต่าง เกณกามัตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาและทำรรที่จะกําจัดการเวียนว่ายตายเกิดได้กำจัดเหตุที่พาให้ใจไปเวียนว่ายตายเกิดได้ก็คือทานศีลภาวนาพอรู้แล้วว่าทานศีลภาวนามีความสําคัญอย่างไรต่อจิตใจ ต่อการกำจัดความทุกข์ต่างๆใจก็จะมีความเยินดีที่จะปฏิบัติทานศีลภาวนายินดีที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจเ ว, เวลาให้แก่การปฏิบัติทานศีลภาวนาอันนี้ต้อง มีความภาคเพียนในเบื้องต้นก็ภาคเพียนศึกษาฟังเทศฟังธรรมไปก่อนถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจริงจังๆเพราะยังไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรอย่างไรก็ต้องมันฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยๆฟังจนกว่าจะเกิดความเข้าใจว่าสิ่งที่จะต้องทาก็คือทานศีลภาวนา เมารู้แล้วว่าเป็นสิ่งที่ต้องทําก็ต้องเริ่มทำํำมีเงินมีทองต้องห้ามไม่ให้เอาไปใช้สนับสนุนในการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเอาเงินไปใช้ตามกามาตัาหาตามภวะตันหาตามวิภาวะตันหาอันนี้เรียกว่าเป็นการสนับสนุนการเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้เป็นการกําจัด การเกิดแก่เจ็บตายทุกครั้งที่เอาเงินไปใช้กับกามาตัานาความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายความอยากมีอยากเป็นอยากร่ําอยากรวยอยากสวยอย่างงามอยากอะไรต่างๆที่คนในโลกเขาอยากกันอันนี้จะเป็นการเสริมการเกิดแก่เจ็บตาย ไม่ใช่เป็นการยุติการเวียนว่ายตายเกิดการจะยุติเวียนว่ายตายเกิดต้องไม่เอาเงินไปใช้ในทางกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาต้องเอาเงินไปใช้ในในทางทานศีลภาวนาเอาเงินไปใช้กับการทำทานถ้าอยากมีความอิ่มใจสุขใจถ้ามีความอยาก ใจหิวโหยอยากไปทางกามาตัญหาก็สามารถระ ง, งับความอยากทางกามาตัญหาได้ด้วยการเอาไปทำบุญทำทานอยากไปเที่ยวเอาเงินไปเที่ยวไปทำบุญใจจะอิ่มกว่าการไปเที่ยวการไปเที่ยวไม่ได้ทำให้ใจอิ่มทำให้ใจหิวมากขึ้นเพราะจะเกิดความอยากเที่ยวมากขึ้นนั่นเอง ไปเที่ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวก็อยากจะไปอีกแต่ถ้าเอาเงินไปเที่ยวนี้เอาไปทำบุญทำทา น, ทานความอยากเที่ยวจะหายไปจะหมดไปอันนี้คือหน้าที่ของการทำทานคือให้ความสุขความอิ่มใจด้วยการใช้เงินใช้ทองที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ ไม่ให้เอาเงินที่มีอยู่ไปใช้ในทางที่จะเกิดโทษแก่จิตใจที่จะนำให้ไปจิตใจต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆก็คือต้องไม่เอาเงินไปใช้กับกามักปัณหาไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือไม่เอาไปใช้สนับสนุนความอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโต หรือเอาไปใช้กับการวิพาวตัญหาความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเอาไปเสริมความงามของร่างกายเอาไปทำสัญญกรรมตกแต่งอันนี้เรียกว่าเป็นการเจริญวิพาวตัญหาเงินทองที่หามาได้แสนยากลำบากแทนที่จะมารับใช้จิตใจมาช่วยเหลือจิตใจกลับมาทำร้ายจิตใจ มาเป็นข้าศึกศัตรูแก่จิตใจเพราะไปส่งเสริมศัตรูของจิตใจนั่นเองก็คือกามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานคือขั้นตอนตอนต้นคือการฟังเทศฟังธรรมฟังให้เรารู้ว่าเราทำไมต้องทำทานทำทานเพื่ออะไรรักษาศีลเพื่ออะไรภาวนาเพื่ออะไร ก็เพื่อกำจัดกามตันหาภาวะตันหาและวิภวตันหานี่เองที่เป็นต้นเหตุที่พาให้จิตใจของสัตว์โลกต้องไปเกิดแก่เจ็บตายต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างโชคโชนอยู่อย่างไม่มีวันหยุดไม่มีวันหมดถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ สัตว์โลกนี้จะไม่รู้ว่าตอนเองนี้กำลังเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้ว่าได้เวียนว่ายตายเกิดมาอย่างโชคโชนน้ำตาที่หลั่งในแต่ละภพแต่ละชาติถ้าเอามารวมกันนี้มีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนี่คือจำนวนภพชาติที่ได้ผ่านมาแล้วและยังจะมีภพชาติที่จะมีตามมาต่อไปอยู่เรื่อย ตราบใดที่ไม่ได้มาเจอกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์หรือถ้าได้พบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แล้วแต่ไม่ขวนขวายเข้าหาไม่ขวนขวายศึกษาไม่ขวนขวนขขายปฏิบัติก็เป็นเหมือนกับไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนานั่นแหละเพราะว่าไม่ได้รับประโยชน์เหมือนกันไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนา พบพระพุทธศาสนาแต่ไม่ปฏิบัติไม่ศึกษาคำสอนไม่ปฏิบัติตามคำสอนก็เหมือนกับไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาอย่างนั้นเมื่อได้พบแล้วสิ่งที่ต้องทำในอันดับแรกก็คือต้องศึกษาต้องเรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติอะไรทรงสอนให้เรารู้ว่าตอนนี้สถานภาพของเราเป็นอย่างไร พวกเราไม่รู้หรอกว่าสถานภาพของพวกเรานี้เป็นเหมือนนักโทษนักโทษที่ติดอยู่ในคุกตารางคุกตารางที่มีกำแพงอยู่สี่ด้านด้านหนึ่งคือการเกิดด้านที่สองคือการแก่ด้านที่สามคือการเจ็บไข้ได้ป่วยด้านที่สี่ก็คือการตายนี่แหละคือคุกตารางของพวกเรา ที่พวกเราถูกกักขังมาเป็นเวลาอันยาวนานร้องหม่มร้องไห้กันจนกระทั่งน้ำมากยิ่งกว่าน้ำตามากยิ่งกว่าน้ำในมาหาสมุทรแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเราเป็นนักโทษกันเรายังคิดว่าเราเป็นผู้มาหาความสุขในคุกกันไม่รู้ว่าคุกที่เราหาความสุขนั้นมันเต็มไปด้วยความทุกข์ ความสุขที่เราได้จากคุกตารางนี้มันเป็นความสุขที่หลอกเราเท่านั้นเองหลอกให้เราคิดว่าเป็นความสุขเพื่อที่จะได้มัดเราไว้ให้ติดอยู่ในคุกเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนที่ปลาไม่ฉลาดใจคิดว่าเป็นอาหารอันโอชะแต่พอไปหุบเหยื่อนั้นแล้วถึงจะรู้ว่ามันมีตะขอเบ็ดเกี่ยวปาก ที่จะต้องอทรมานไปจนวันตายเพราะเมื่อถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากแล้วโอกาสที่จะถูกปล่อยให้กลับไปเป็นอิสระในน้ำนี่ยากนอกจากพวกคนใจบุญที่สงสารตกปลามาได้แล้วแทนที่จะเอาไปกินเอาไปฆ่าก็ปล่อยกลับลงไปในน้ำซึ่งไม่มีหรอกถ้าไปตกปลาแล้วไม่มีใครจับปลาขึ้นมาเพื่อไปปล่อย เอาปลาขึ้นมาเพื่อเอาไปต้มนั้นน่ะเอาไปยำเอาไปแกงอันนี้คือความสุขที่พวกเรากําลังหากันเป็นความสุขที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเป็นความสุขของคนที่อยู่ในคุกในตารางในคุกในตารางเขาก็ต้องหาความสุขให้คนอยู่ในคุกบ้างเพราะไม่เช่นั้นละเดี๋ยวจะเป็นบ้ากันไปหมดหรือเดี๋ยวจะอาลวาดกันไปหมดเขาก็เลยต้องมี ทีวีให้ดูบ้างมีวิดีโอให้ดูบ้างแต่มีเวลามีห้องสมุดมีหนังสือให้อ่านบ้างถ้าบะพืชดีถ้ามัน ท, ทำตัวเป็นนักโทษที่ดีเขาก็จะมีรางวัลให้มีความสุขเล็กๆน้อยๆให้แต่มันสู้ความสุขของคนที่อยู่นอกคุกไม่ได้ใช่ไหมมีใครอยากจะไปหาความสุขในคุกกันบ้างไม่มีเรา ถึงแม้ว่าในคุกจะมีความสุขก็เสื่อความสุขที่อยู่นอกคุกไม่ได้ฉะนั้นใดความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกมีกันนี้ก็เป็นเหมือนความสุขที่อยู่นอกคุกความสุขที่ไม่มีกำแพงกัน้นกำแพงสี่ด้านห้อมร้อมคือกำแพงของความเกิดแก่เจ็บตายเป็นความสุขที่เป็นอิสระจากความเกิดแก่เจ็บตาย เป็นความสุขบริสุทธิ์พูดง่ายๆเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาแต่ความสุขของพวกเรานี้มันเป็นเหมือนอปลาที่หยุดเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาอพอได้ฮุกเหยื่อแล้วก็จะได้เจอความทุกข์ที่จากที่เกิดจากการถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากนั่นเองอ นี่แหละคือสิ่งที่พวกเราไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่รู้ว่าเรามาจากที่ไหนเป็นใครจะไปไหนไม่รู้รู้ว่าเกิดจากพ่อแม่แล้วก็จะไปจบที่เมรุเท่านั้นเองดังนั้นเมื่อจะระหว่างที่ก่อนจะไปถึงเมรุก็ขอหาความสุขกันให้มันสุดๆกันแต่หากันเท่าไหร่ก็ไปเจอความทุกข์ทุกทุ ก, ท, กทุกครั้งไป หาอะไรได้มาสุขเดียวเดียวอ้าวเดียวกลายเป็นความทุกข์เสลได้อะไรมาเดียวเดียวเอาจากเราไปเสียแล้วได้อะไรมาปั๊บเดี๋ยวเปลี่ยนไปเสียแล้วมีแต่ความทุกข์ตามมาจากสิ่งที่เราหาเพราะคิดว่ามันเป็นความสุขแต่มันเป็นความสุขช่วงที่เราได้มาใหม่ๆเท่านั้นเองต่อไปไม่นานมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา กลายเป็นภาระขึ้นมามีข้าวของเงินทองก็ต้องมากังวลกับเข้าของเงินทองต้องมาแบกภาระกับการดูแลรักษาข้าวของเงินทองต่างๆนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยสบายกลัวขโมยจะขึ้นบ้านบ้างกลัวธนาคารจะล้มบ้างมีเงินทองทองฝากไว้ในธนาคารเดี๋ยวก็กลัวธนาคารจะเจ้งบ้าง เ, เงินทองที่ฝากไว้ก็หมดไปกับธนาคารเนี่ยนี่แหละคือความสุขที่ดาวไล่เราได้รับจากทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองต่างๆคือความทุกข์ที่เกิดจากวิตความวิตกความกังวลต่างๆมีอะไรมันจะต้องกังวลมันจะต้องหวงมันจะต้องห่วงเพราะมีอะไรเราจะรักเราจะหวงรักอะไรเราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปเป็นของเราไปเรื่อยๆ แต่ไม่เคยศึกษาความจริงของสิ่งต่างๆที่เราได้มาเลยว่ามันจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆหรือเปล่ามันจะเป็นของเราไปเรื่อยๆหรือเปล่าไม่เคยศึกษาไม่เคยคิดคิดอย่างเดียวว่าได้มาแล้วจะสุขเลยทุ่มเทชีวิตจิตใจหามันมาพอได้มาแล้วทุกข์กับมันก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกับคนที่กืนไม่เข้าขายไม่ออกเสียแล้วพอได้มาแล้ว จะโยนทิ้งไปก็เสียดายกว่าจะหามาได้ก็เหนื่อยแสนเหนื่อยเก็บไว้ก็ทุกข์ทุกข์เพราะต้องคอยกังวลทุกข์เพราะรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งจะต้องสูญเสียเขาไปไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตายนี่คือสิ่งที่พวกเราไม่คิดกันไม่ยอมคิดกันไม่ยอมคิดถึงคำว่าตายกัน คำว่าตายนี้ถือว่าเป็นคําอับประมงคนอย่างยิ่งห้ามพูดคำว่าตายคนตายนี้ต้องพูดอย่างอื่นพระพุทธเจ้าตายยังต้องบอกนิพพานเลยคําว่านิพพานนี้แปลว่าตายของพระพุทธเจ้าพระสงค์ตายก็มรมรณาภาพถ้าพระเจ้าเป็นดินตายก็สวรรค์โคตร นายกตายก็อาศญญกรรมถึงแก่กรรมคนทั่วไปก็ถึงแก่กรรมเอแต่ห้ามพูดคําว่าตายคนเลยไม่คิดว่าจะตายกันก็เลยก็เลยต้องมาทุกข์เพราะเวลามันเห็นคนตายแล้วมันอดคิดไม่ได้เรายังไม่ตายแต่เห็นคนที่เรารู้จักตายแล้วเราก็จะย้อนกลับมาดูที่ตัวเราเฮ้ยต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาเนี่ยหว่า เราทรัพสมบัติเก้าของเงินทองของที่เรารักเราชอบเราหวงที่เราอุแซ่์ดูแลรักษาแทบเป็นแทบตายเดี๋ยวมันก็ต้องจากลบาไปหรือไม่เช่นั้นเราก็ต้องจากเขาไปแล้วมันมีประโยชน์อะไรเวลาต้องจากกันมันก็มีแต่ความทุกข์ทนั้นเองถ้าหัดคิดสักว่างใจก็จะเริ่มเรียนรู้ความจริงของชีวิต ว่าชีวิตนี้เรียกว่าอนาิจจังไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดามีการพัดผ่าจากกันเป็นธรรมดาลวงพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้ล่วพ้นจากการพัดผ่าจากกันไม่ได้ถ้าคิดบ่อยๆมันก็อาจจะฉลาดถ้าเป็นอย่างนี้ไม่รู้จะไปหามันมาทำไม อยู่เฉยๆก็สบายมีความสุขได้ทำไมต้องไปหาเหามาใส่หัวทาไมยอยู่เฉยๆถ้ารู้จักทำใจอยู่กับสภาพที่ตนเองมีอยู่ก็อยู่ได้เวลามาเกิดก็ไม่มีอะไรติดตัวมาสักบาทหนึ่งมาก็มาตัวเปล่าๆ เ, เดี๋ยวเวลาไปก็ไปตัวเปล่าๆแต่ไม่รู้ว่ามีการมามีการไป คิดว่ามีการมาจากท้องแม่แล้วก็มีการไปที่เมนเท่า น, นั้นไม่รู้ว่าความจริงผู้ที่มากับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันผู้ที่มากับร่างกายผู้ที่ใช้ร่างกายให้ไปหาอะไรต่างๆมานี่ไม่ใช่เป็นร่างกายเป็นเราเรานี่แหละเป็นผู้ที่มาเกาะติดร่างกายเราเป็นดวงวิญญาณที่ออกจากร่างกายอันเก่า ที่มันแก่มันเจ็บมันตายแล้วมันต้องไปหาร่างกายอันใหม่มันก็เลยวนไปเวียนมาจนในที่สุดก็ได้เจอร่างกายอันใหม่ของพ่อแม่คนใหม่ก็ไปเกาะติดทันทีไปยึดไปติดเป็นของตนทันทีแล้วพอคลอดออกมาจากท้องแม่ก็คิดว่าเป็นร่างกายไปไม่รู้ว่าตอนเองไม่ได้เป็นร่างกายตนเองเป็นผู้มา ขี่ร่างกายเหมือนคนขีม่ม้าคนขี่ม้ากับม้านี่เป็นคนละคนม้าตายคนขี่ไม่ได้ตายคนขี่ก็ไปเปลี่ยนม้าตัวใหม่ร่างกายก็เหมือนกันจิตเป็นคนขี่ร่างกายร่างกายตายไปจิตก็ไปขี่ร่างกายอันใหม่หการไปขี่ร่างกายอันใหม่ก็เป็นการไปหาความทุกข์กองใหม่ แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรไม่รู้จากวิธีหยุดรู้แต่ว่าจะต้องมีร่างกายเพราะพอมีร่างกายแล้วก็จะได้หาความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายนั่นเองถึงแม้ว่าความสุขนั้นจะเป็นความสุขปลอมก็ตามเป็นความสุขที่เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดก็ตามก็ยินดีที่จะฮุบฮุบเหยื่อนั้นอยากได้รูกเสียงกลิ่นลด โดยที่ไม่รู้ว่าในรูปเสียงกลิ่นรสนี้มีความทุกข์รอเราอยู่คิดว่ามีแต่ความสุขคิดว่าได้รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑได้ลาบยศสรรเสริญได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้คนนั้นคนนี้แล้วจะมีความสุขมันก็ได้ความสุขตอนตอน้นตอนที่ได้มาใหม่ๆแล้วเดี๋ยวมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทุกข์เพราะหวงทุกข์เพราะหวง แล้วก็เกิดถ้ามีการพัดภาคจากกันก็ทุกข์เพราะความเสียดายสูญเสียอันนี้ไม่เห็นกันเห็นแต่สุขที่ได้ที่เกิดจากตอนที่ได้สิ่งที่อยากได้เท่านั้นเองนี่แหละเราจรึงมาติดอยู่กับการมามีร่างกายอยู่เรื่อยเพราะเห็นว่ามันเป็นสุขกันแล้วพอมันเป็นทุกข์ก็ไม่รู้จักวิธีแก้ก็ต้องยอมทนไปกับความทุกข์ จนกว่ามันจะแยกทางกันไปพอแยกทางกันไปก็ไม่เข็ดจำไม่ได้ลืมไมหมดจำได้อย่างเดียวว่าต้องมีร่างกายอันใหม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสมาให้เสพใหม่ก็ไปเกิดใหม่นี่แหละนี่คือการไปเกิดของเราอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่ได้รับการกําจัดนั่นเอง มันได้รับแต่การส่งเสริมอย่างพวกเรามีเงินทองแทนที่จะเอากำาจัดความอยากด้วยการเอาเงินทองไปทำบุญก็ไปส่งเสริมเหมือนอยากเที่ยวก็ไปเที่ยวกันนี่ส่งเสริมกามาตัณหาละการเที่ยวก็เที่ยวเพื่ออะไรก็เที่ยวเพื่อรูปเสียงเกิดรดใช่ไหมไปเที่ยวก็ต้องใช้ตาดูเอาหูฟังเอาจมูกดมเอาลิ้นไว้ลิ้มรส ไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศก็มีอาหารแปลกๆให้ชิมให้ลองกินมีภาพมีรูปต่างๆให้ดูที่ที่ไม่เหมือนกับบ้านเรามีเสียงไม่เหมือนกันมีกลิ่นไม่เหมือนกันมีไอของความร้อนความหนาวไม่เหมือนกันอันนี้ก็ไปเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลิภัณเป็นการไปส่งเสริมความอยากกามตัณหาภาวะตัณหาให้มี มีกำลังมากขึ้นไม่ใช่ให้มันหมดเพราะถ้าไปเที่ยวแล้วความอยากหมดก็ดีสิมันไม่หมดนะสิมันหมดเดียวเดียวหมดพอเงินหมดเดี๋ยวพอเงินมาใหม่เอาความอยากโผล่ขึ้นมาใหม่ก <c oughs> <c oughs> ันเนี่ยงั้นถ้าอยากให้ความอยากหมดก็เอาเงินไปทำบุญให้หมด <c oughs> พอไม่มีเงินไปเที่ยวมันก็เที่ยวไม่ได้ความอยากเที่ยวมันก็หมดไปเองใช่ไอเห็นไหมพระพุทธเจ้าฉลาดนหม <c oughs> อ่าสอนให้พวกเราเอาเงินมาทําบุญทําให้มันหมด <c oughs> มันมันหมดแล้วมันจะได้ไปไปเที่ยวเี่ยแม่นั่งดาเราบวชมาล้วเคยไปเที่ยวไปไหนไหมไม่มีเงินเที่ยว อยู่จันวันเนี่ยไม่ได้บวชมาตั้งแต่ปีหนึ่งปดเนี่ยใช่ถึงบัดนี้เคยไปเที่ยวที่ไหนไมนไม่เคยมันไม่มีเงินเที่ยวมีเงินก็ไปทาบุญหมดเนี่ยมันก็เลยไม่มีเงินเที่ยวเมื่อไม่มีเงินเที่ยวมันความอยากเที่ยวมันก็เลยหมดไปเนี่ยนี่แหละถ้าพวกเราอยากจะกาจัดความอยากเที่ยว กำจัดความอยากซื้อกระเป๋าซื้อลองเท้าซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อแหวนซื้อสร้อยซื้อกำไรซื้ออะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยลองเอาไปทำบุญให้หมดเลยลความอยากมันไม่มีเงินมากแต่พวกเรามันโง่ พอเงินหมดคิดว่าแทนที่จะดีใจกับเสียใจต้องรีบไปหาเงินใหม่ควนจริงควรจะดีใจว่าทีนี้จะได้ไม่ไปเที่ยวแล้วจะได้ไม่ไปซื้อของฟุ่มเฟือยจะได้ไม่ต้องไปพูบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดไม่มองอย่างนั้นกับโง่กับคิดว่าเงินหมดต้องรีบหาเงินมาจะได้ไปเที่ยวต่อเพราะเวลาไม่ได้เที่ยวนิจใจสั่นมือไม้สั่นไม่หมด หรือมันก้เศร้า อ, อกเศร้าใจ ว, าว้าเหวเศร้าส้อยงอยเงาแต่ถ้าเราเอาเครื่องมือมาแก้ความเศร้าส้อยงอยเงาที่พระพุทธเจ้ามอบให้เราก็ไม่ต้องไปเที่ยวเครื่องมือที่จะทําให้ใจเราหายสัน่นหายหายเศร้าหายโศหาย ว, าว้าเหวก็คือมาทําใจให้สงบแน่ถ้าภาวนาพุทธโธพุทธโธไปทําใจให้สงบแล้ว ความอยากเที่ยวที่ความเศร้าที่เกิดจากความอยากเที่ยวมันจะหายไปเพราะเราสามารถควบคุมใจได้ควบคุมใจที่สั่นให้มันไม่ให้สั่นได้นี่แหละคือเครื่องมือพอเราทำทานแล้วใจเราสัน่นเราก็ต้องไปภาวนากันเข้าใจไหมพอไม่มีเงินไปเที่ยวก็ต้องไปอยู่วัดกันไปภาวนาถ้าอยู่บ้านเดี๋ยวทนไม่ไหวเดี๋ยวต้องไปหาเงินไปเที่ยวจนได้ อัไม่อยากจะเที่ยวอยากจะเลิกเที่ยวเอพอเอาเงินไปทําบุญหมดแล้วก็ต้องไปภาวนาต่อท่านถึงบอกให้เราทําทานทําทานแล้วก็ให้เข้าวัดไปรักษาศีลไปภาวนาศีลก็คือห้ามไม่ให้เราไปทําอะไรต่างๆนี่เองไม่ให้เราไปเที่ยวไม่ให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้เราไปภาวนาเวลาใจเราไม่สบายเกิดจากความอยาก ทำอะไรแล้วไม่ได้ทำเราสามารถทำให้ใจหายสัน่นหายเศร้าหายว้าเหวได้ถ้าเราภาวนาสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนานี่แหละคือเครื่องมือที่จะทำให้เราสามารถที่จะเลิกความอยากต่างๆได้เราต้องทำให้ได้เนี่ยถึงบอกว่าเราต้องมาวางแผนนะแล้วว่าเราจะต้องทำเท่าไหร่ เราก็เพิ่มไปให้มันเต็มร้อยถึงจะสามารถทำให้ได้ผลอย่างเต็มร้อย mm. ถ้าเราไม่เพิ่มเราทำแค่ร้อยละสิบเหมือนชาวนาะปลูกข้าวสิบไร่ทุกปีมันก็จะได้ข้าวแค่สิบไร่ถ้าอยากจะได้ข้าวร้อยไร่มันก็ต้องเพิ่มจำนวนนาที่จะปลูกให้มันมากขึ้นไปจากสิบไร่เป็นยี่สิบไร่เป็นสามสิบไร่เพิ่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ถึงร้อยไร่ การปฏิบัติก็เช่นเดียวกันตอนต้นเราก็เริ่มที่ร้อยละสิบก่อนทําบุญร้อยละสิบก่อนอีนี้ได้เงินมาล้านหนึ่งก็ทําบุญสักแสนหนึ่งไปก่อนอีก9ก้าแสนเอาไปเที่ยวก่อนแล้วปีต่อไปก็เอามาทําบุญเป็นสองแสนลดการเที่ยวลงเหลือแปดแ0 0ลดทํางี้ขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวปีสุดท้ายก็ทําบุญร้อยเลยทําบุญ ไ ด, ได้หาเงินมาได้เท่าไหร่ก็ไปทำบุญหมดเลยจะได้ไม่ต้องไปเที่ยวแล้วก็ไปอยู่วัดไปภาวนาได้เต็มที่เลิกทำงานเลิกหางานเลิกหาเงินได้เมื่อเราไม่เที่ยวแล้วเราก็ไม่ต้องมีเงินเมื่อเราไม่มีเงินเราก็ไปอยู่วัดไปวัดเราจะได้ไปภาวนาได้เต็มร้อยต่อไปก่อนจะเข้าวัดได้ถึงต้องทำทานให้เต็มร้อยก่อน ถ้ายังไม่ทำทานเต็มร้อนมันยังก็ต้องไปหาเงินใช้เงินอยู่นั่น่ะหาเงินเพื่อจะมาใช้เงินตามความอยากแต่ถ้าเร า, เาใช้เราหยุดเราหยุดใช้เงินตามความอยากก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหาหาเงินถ้าจะหาก็หาเฉพาะค่าอาหารเท่านั้นเองหาแค่ปัจจัยสี่อันนี้เราก็ทำได้โดยที่เรา สะสมเงินที่เราจะเอาไปเที่ยวนี่มาเป็นเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแทนแบ่งเป็นทมบุญแล้วก็แบ่งมาเก็บไว้สำหรับที่เราจะเอาไปใช้ปฏิบัติรมถ้าเราบวชพระไม่ได้ถ้าต้องไปบวชชีบวชอะไรอาจจะต้องใช้เงินบ้างแต่บางวัดก็ไม่ต้องใช้เลยแม่ชีบางวัดก็ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอยู่กับวัดพระท่านก็แบ่งอาหารมาให้รับประทานเหมือนเป็นพระด้วยกัน ไม่ได้ถือว่าเป็นชีเชออะไรเพียงแต่ว่าสมมติเขาให้ทำอย่างนั้นก็ทำไปตามสมมติแต่ในใจก็รู้ว่าเป็นผู้ไฝ่ยทําผู้ปฏิบัติทําเหมือนกันก็ต้องสงเคราะห์กันดูแลกันไปมีอาหารก็ต้องแบ่งกันรับประทานกันไปเพื่อจะได้ปฏิบัติภาวนาได้เต็มร้อยเพราะถ้ายัางต้องไปทำงานไปหาเงินหาทองอยู่มันก็ไปภาวนาไม่ได้เต็มร้อยนั่นเอง มันก็จะต้องไปทำงานเวลาทำงานใจก็ต้องคิดคิดมันก็ไม่สงบพอกลับมาจากทำงานจะมานั่งให้มันสงบก็มันก็ยังฟุ้งอยู่ฟุ้งจากเรื่องงานเรื่องการอยู่แต่ถ้าเลิกทำงานมันก็ไม่ต้องคิดมากเมื่อไม่ต้องคิดมากมันก็ทำให้ใจสงบได้ง่ายกว่าดัางนั้นการต้นก็ต้องทาทานให้ได้เต็มร้อยก่อน เมื่อได้เต็มร้อยแล้วทีนี้ก็จะได้เลิกหาเงินเลิกใช้เงินทีนี้ก็ไปอยู่วัดได้พอไปอยู่วัดแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องทําทานแล้หมดหน้าที่แล้วญาติโยมบางคนยังไม่เข้าใจไปอยู่วัดใจก็ยังข่วงเรื่องทําบุญทําทานอยู่ความจริงควรจะทําให้มันหมดไปเลยจะได้ไม่ต้องมากังวลจะได้มีเวลามาภาวนาได้เต็มที่ไปอยู่วัดก็ยังมากังวลกับเรื่องทําบุญทําทาน เรื่องหาเงินหาทองมาทําบุญอยู่มันก็เลยยังพลุงพลังอยู่กับเรื่องเงินเรื่องทองอยู่ทางที่พุทธเจ้าให้เราทําทานนี้ก็เพื่อให้เราตัดเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองให้มันออกไปจากใจของเราอย่าให้มันบีเลยดีที่สุดนะพระพุทธเจ้าสละราชสมบัติเห็นไหมยังไม่ได้เอาเงินทองติดตัวไปด้วยยัง ถ้ายังห่วงเรื่องทําบุญอยู่อาจจะต้องขนเงินติดตัวไปด้วยเดี๋ยวตอนเช้าจะได้ใส่บาท <c oughs> <c oughs> ท่านไม่ละท่านรู้ว่ามันเป็นภาระมันเป็นตัวปัญหาเงินทองเป็นตัวปัญหาดีไม่ดีเดี๋ยวก็ถูกโจรจี้โจรโจรต้นไปอีกนั้นอย่าไปมีมันนดีที่สุดถ้าอยากจะไปภาวนาแล้วก็ตัดเรื่องเงินเรื่องทองไปเลยตัดเรื่องทําบุญ <c oughs> ทําทานไปเลยไม่ต้องไปทําบุญผ้า ป, ป่ากรถินที่ไหนแล้ว ถ้าเป็นนักภาวนาแล้วเอาแต่ภาวนาอย่างเดียวภาวนานี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าบุญที่ได้จากการทํากรถินทำภาพป่าสร้างโบสถ์สร้างเจดีสร้างอะไรต่างๆเอาเวลามาสร้างนิพพานกันดีกว่าอย่าไปสร้างวัตถุ ก, กันเลยที่ให้ทําบุญทําทานเพื่อให้เราเลิกมีเงินเลิกใช้เงินเลิกหาเงินนี่คือเป้าหมายของการทําทานเพื่อเราจะได้มีเวลา มาปฏิบัติได้อย่างเต็มร้อยนั่นเองดังนั้นพอเราสามารถทําทานได้เต็มร้อยแล้วเรื่องเงินเรื่องทองก็หมดปัญหาไปที่เราก็จะได้มาเพิ่มการปฏิบัติของเราให้เต็มร้อยการปฏิบัติให้เต็มร้อยก็ต้องปฏิบัติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงหลับตาเวลาที่นอนจะพักปฏิบัติวันก็แค่สี่ห้าชั่วโมงเท่านั้นนอกนั้นจะต้องเป็นเวลาของการปฏิบัติ พอการปฏิบัติข้อแรกจุดเริ่มต้นข้อแรกก็คือการเจริญสติการเจริญสตินี้เราต้องเจริญตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพอจิตมันเริ่มคิดปรุงแต่งก็ต้องหยุดมันนะเพราะมันจะคิดปรุงแต่งไปทางกามะตัาหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหานั่นเองเราก็เลยต้องหยุดมันให้ได้ควบคุมมันให้ได้ถ้าควบคุมมันไม่ได้เดี๋ยวมันพอเกิดตันหาขึ้นมาแล้วมันใจร้อน เดี๋ยวมันทนอยู่วัดไม่ได้เดี๋ยวมันจะขอกลับบ้านอ้างนู่นอ้างนี่กันใหญ่นะอ้างไปดูพ่อดูแม่ดูอะไรไปหมดเวลาไปเที่ยวไม่เคยอ้างเลยเวลาไปเที่ยวไม่เคยอ้างว่าจะกลับไปดูพ่อดูแม่เวลาอยู่วัดนี่เดี๋ยวเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมานี่อยากจะกลับอยากจะออกนอกวัดก็เลยอ้างว่าขอไปดูพ่อดูแม่แต่ระหว่างทางก็ขอแวะดูหนังก่อน ดูละครก่อนอั น, นี่ก็คือเรื่องของการปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วทีนี้จะต้องพยายามทําให้มันได้เต็มร้อยคือสติให้ได้เต็มร้อยต้องมีสติรักษาใจให้ได้เต็มร้อยแล้วทุกอย่างจะตามมาเองถ้ามีสติเต็มร้อยแล้วสมาธิก็จะตามมาเต็มร้อยปัญญาก็จะตามมาเต็มร้อยวิมุตติก็จะตามมาเต็มร้อย อยู่ที่ตัวสตินี่แหละเป็นตัวเริ่มต้น mm. พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเนี่ยสตินี่เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเียดเหมือนกับรอยเท้าช้างเนี่ยรอยเท้าช้างนี่สามารถครอบรอยเท้าของสัตว์ทั้งหมดที่มีอยู่ในป่าได้หมดไม่มีรอยเท้าของสัตว์ชนิดใดที่จะใหญ่กว่ารอยเท้าช้างธรรมทั้งปวงก็ไม่มีธรรมใดที่สาคัญเท่ากับสติ mm. ถึงแม้ว่าสติจะไม่ สามารถทำให้หลุดพ้นได้เหมือนกับปัญญาแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีสติเพราะสตินี้เป็นเหมือนพ่อของปัญญาเป็นเหมือนพ่อแม่ของสมาธิของปัญญาถ้าพวกเราไม่มีพ่อไม่มีแม่เราจะเกิดมาได้ไหมถึงแม้จะมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าไม่มีพ่อแม่ที่เป็นขอทานเลี้ยงเรามาให้เรากําเนิดมาเราจะมาเป็น ประธานาธิปดีมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้หรือเปล่าไม่ได้เราต้องมีพ่อแม่ก่อนสติก็เป็นเหมือนพ่อแม่ของสมาธิของปัญญาถึงแม้ว่าสถานภาพจะไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับสมาธิเท่ากับปัญญาแต่ก็ต้องมีสติเป็นผู้ให้กำเนิดพ่อแม่ของคนใหญ่หโตวตวนี้อาจจะเป็นคนธรรมดาสามัญไม่ได้คนนั่มรวยคนใหญ่คนโตอะไร แต่ลูกกลับได้เป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาแต่ลูกก็ต้องมีพ่อมีแม่ที่เป็นคนธรรมดาสามัญถึงยามเกิดขึ้นมาได้เมื่อเกิดแล้วก็สามารถที่จะเอาชีวิตที่มาได้ที่ได้มาจากพ่อแม่นี้ไปพัฒนาให้เป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาได้ฉันใดสติก็เหมือนกันถ้าไม่มีสติใจก็ไม่สามารถผลิตสมาธิขึ้นมาได้ไม่สามารถผลิตปัญญาขึ้นมาได้ ต้องมีสติเป็นตัวทำให้เกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาดังนั้นในเบื้องต้นในขั้นตอนของการปฏิบัติขั้นเริ่มแรกก็คือต้องเริ่มที่สติก่อนต้องฝึกสติอย่างเดียวอย่าไปกังวลกับเรื่องอะไรทั้งนั้นให้ควบคุมความคิดให้ได้เอาพุทโธอัดมันเข้าไปมันจะคิดก็พุทโธพุทโธหยุดมันถ้ามันไม่คิดก็ไม่ต้องพุทโธ เหมือนกับรถเนี่ยเวลามันไหลเราก็เหยียบเบรกพอมันนิ่งเราก็ปล่อยเบรกได้พอมันจะไหลใหม่เราก็เหยียบเบรกใหม่ใจเราคิดเราก็ต้องหยุดคิดด้วยพุทโธพุทโธไปพอมันหยุดคิดเราก็ไม่ต้องพุทโธพุทโธเราก็คอยดูว่ามันจะคิดเมื่อไหร่พอมันคิดใหม่ก็พุทโธมันไปใหม่ให้มันหยุดนี่แล้วถ้าเราทำได้เวลาเราไปนั่งสมาธิมันก็จะรวมเป็นสมาธิขึ้นมาได้ ใจมันจะรวมต่อเมื่อร่างกายไม่ทำอะไรแล้วถ้าร่างกายยังเคลื่อนไหวอยู่ใจไม่สามารถที่จะรวมได้ใจจะรวมก็ต้องไปนั่งสมาธิแต่ก่อนจะนั่งสมาธิให้มันรวมได้ก็ต้องหยุดความคิดให้ได้ก่อนก็ต้องหยุดตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาไปทั้งวันตลอดเวลาจนกว่าเราจะมานั่งสมาธิเราก็จะคอยควบคุมใจไม่ให้คิดไปเรื่อย เวลานั่งสมาธิถ้าใจไม่คิดก็ให้มันดูลมหายใจเข้าออกไปอย่าปล่อยให้มันไม่มีอะไรควบคุมต้องมีอะไรควบคุมใจถ้าไม่มีพุทโธก็ต้องมีลมไว้คอยควบคุมใจนนั่งเฉยๆไม่งั้นเดี๋ยวใจมันจะแงทงฤทธิ์ให้เราดูไม่รู้โดยไม่รู้สึกตัวมันจะหลอกสร้างภาพสร้างเสียงสร้างอะไรมาหลอกเรา ถ้าเราไม่ฉลาดเราก็จะไปหลงคิดว่าเป็นโน่นเป็นนี่ขึ้นมาบางคนก็คิดว่าเป็นเป็นอาลาหันไปแล้วนั่งปั๊บเดียวเป็นอาลาหันนกหวีดขึ้นมาทันทีตัวที่ไม่รู้ว่าความเป็นพระอาลาหันนี่เป็นอย่างไรคิดไปเองพอใจเริ่มสงบน้นหน่อยเฮ้ยนิพพานแล้วหรือยังอาหารหรื อ, อยังโซดาหรื อ, อยังเนี่ยมันจะถามตัวเองอ อย่าปล่อยให้มันนั่งคิดอย่างนี้นะเวลานั่งสมาธินี่อย่าให้มันมีความคิดอะไรมันจะคิดอะไรก็อย่าไปสนใจอย่าว่ามันไล่สาระความคิดทัง้งหลายมันไล่สาระการที่เรานั่งนี้เราต้องการให้หยุดคิด ต, ต้องการให้ใจว่าสิ่งที่เป็นสาระคือความสงบความว่างความเป็นอุเบกขาของใจอันนี้แหละคือสาระที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิให้ใจ ไล่จากความรักชังกลัวหลงถ้าใจเป็นสมาธิจริงตอนนั้นจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอะไรใจจะเฉยเป็นอุเบกขาแต่ไม่ได้เฉยแบบเฉยเมยแบบตอนที่ไม่ได้เข้าสมาธิตอนพวกเราเนี่ยชอบเฉยกันด้วยแต่ไม่ได้เฉยแบบอุเบกขาเฉยแบบเฉยเมยหรือเฉยข้างนอกแต่วุ่นข้างใน <c oughs> อันนี้ไม่ใช่อุเบกขาถ้าอุาเบกขาแล้วต้องเฉยทั้งข้างนอกเฉยทั้งข้างในไม่รู้สึกอะไรใครจะชมก็เฉยใครจะด่าก็เฉยใครจะขู่ก็เฉยใครจะหลอกมาอะไรก็เฉยไม่หลงรู้ทันเฉยๆไม่ไม่ยินดียินร้ายกับการกระทำอะไรต่างๆของใครทั้งนั้นนี่แหละคือเป้าหมายของการฝึกสมาธิเพื่อให้ได้ตัวนี้ เพราะตัวนี้แหละที่เราจะใช้สู้กับความอยากต่างๆเวลาเกิดความอยากถ้าเราเฉยได้ใจจะไม่สันถ้าใจเฉยไม่ได้ใจจะสันใจจะทุกข์แลวจะทนสู้ความอยากไม่ได้จะต้องไปทำตามความอยากถึงจะหายสันแต่ก็หายชั่วคราวเดี๋ยวมันก็อยากใหม่มันก็สันใหม่ถ้าเรามีอุเบกขาแล้วถ้าเรามีปัญญาสอนว่านี่คือความอยาก อย่าไปทําตามความอยากเพราะความอยากเป็นตัวที่ทําให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเราสร้างทําให้ใจเราสัน่นถ้าไม่อยากจะสัน่นไม่อยากจะไปเกิดก็อย่าไปทําตามความอยากพอมันจะสั่นล้วก็ใช้อุเบกขาสู้มันได้ทําใจเฉยได้ถ้ามีสมาธิถ้าเข้าสมาธิเป็นพอใจจะสัน่นก็สั่งให้ใจเป็นอุเบกขาได้พุทโธพุทโธไปสองสามคำมันก็หยุดสั่นได้ทันที น, นี้คือขั้นตอนของการปฏิบัติขั้นตอนแรกต้องฝึกสติให้มากๆจนสามารถทําจิตให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิเพราะนั่นแหละคือที่ตั้งของอุเบกขาของความไม่รักชังกลัวหลงของความเป็นกลางของจิตสักแตว่ว่ารู้เอกขั ก, กตารมเป็นหนึ่งรู้อย่างเดียวรู้เฉยๆเพราะไม่มีความคิดปรุงแต่งมา หลอกให้ใจไปรักไปชังไปกลัวไปหลงพอออกจากสมาธิมานี้มันความคิดปรุงแต่งมันจะมาหลอกล่าเห็นนั่นนู้นก็ว่าดีขึ้นมารักแล้วสิเห็นนั่นนั่นไม่ดีก็ชังขึ้นมาแล้วสิตอนนั้นต้องใช้ปัญญาเข้ามาสอนว่าอย่าไปรักอย่าไปชัง ของก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ก่อนที่เราจะออกมาจากสมาธิแล้วก็ปล่อยเขาเป็นอย่างนั้นไปเราอุเบกขาของเราก็อุเบกขาของเราต่อไปไม่ดีกว่าหรือต่างฝา่ายต่างอยู่กันเขาจะดีจะชั่วก็เรื่องของเขาเราก็อุเบกขาของเราไปเอาปัญญามาสอนใจอย่างนี้ใจก็จะได้อยู่กับอุเบกขาต่อไปไม่ไปรักไปชังไม่ไปอยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ใครด่าก็ไม่อยากให้เขาไม่ดา่า ใครชมก็อยากให้เขาชมก็จะไม่มีจะเฉยๆไปชมก็เรื่องของเขาด่าก็เรื่องของเขาเราอุเบกขาของเราไปแล้วเราก็จะไม่ทุกกับเขาต่อไปเราก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดเพราะเราสามารถกําจัดความอยากที่จะไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันอยากเราก็เฉยอย่าไปทําตามมันพอไปอยากให้เขาไม่ดา่าเราก็จ้องเฉย พอเราเฉยต่อไปความอยากให้เขาไม่ด่าเราก็หายไปแล้วต่อไปเขาด่าเราก็จะเฉยอย่างสบายไม่เดือดร้อนพอใครชมก็เฉยไม่ได้ไปอยากให้เขาชมไปเรื่อยๆบางทีเขาชมก็ดีใจเพราะวันไหนก็หยุดชมก็เสียใจแล้วนี่ทำไมวันนี้ไม่ชมเป็นอะไรหรือเปล่าไม่พอใจหรือเปล่าเราไปทำอะไรผิดหรือเปล่าคิดมากไปใช่ไหม แต่ถ้าเป็นอุเบกขาแล้วเฉยไม่ต้องไปปรุงแต่งให้เสียเวลาใครด่าก็เฉยใครชมก็เฉยไม่ต้องไปคิดว่าทำไมเขาด่าเราทำไมเขาไม่ชมเราเรื่อง ข, ของเขาปากของเขาเราไปสั่งเขาได้หรือเปล่าสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาได้เปล่าห้ามเขาไม่ได้นี่คือการคิดด้วยปัญญาสัพเพธรรมะอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างเราไปสั่งไม่ได้ไปห้ามไม่ได้ไปควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความอยากเราไม่ได้ อย่ายกไปอยากเราก็จะได้ไม่ต้องไปควบคุมที่เราอยากไปควบคุมก็เพราะเรามีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนั้นก็เป็นไปสิเขาเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยเขาเป็นไปเราก็อุเบกขาของเราไปต่อไปใจของเราก็จะอุเบกขาไปอย่างท้าวรการเป็นอุเบกขาอย่างทาวอนก็เรียกวันนิพพานนี่ใจที่ ไม่มีรักทั้งกลัวหลงตลอดเวลาใจที่ไม่ต้องใช้สติสมาธิปัญญามาคอยรักษาให้อยู่ในอุเบกขาเพราะตัวที่จะมาดึงใจให้ออกจากอุกเบกขาถูกทำลายไปหมดตัวที่จะดึงใจให้ออกจากอุกเบกขาก็คือตันหาสามตัวนี้เองการมาตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาที่ได้รับกาจัดด้วยการไม่ทําตามมันมันยากก็เราก็เฉยกับมันไป พอเราเฉยกับมันไปมันก็น้อยใจต่อไปมันก็ไม่กลับมาใช่ไ้มเวลาเพื่อนมาชวนเราไปเที่ยวลองเฉยดูเลยเดี๋ยวต่อไปเขาก็ไม่มาชวนเราไปเที่ยวเขาก็น้อยใจชวนดีดายมันก็ไม่ไปทุกทีใช่ไหมไม่รู้จะมาชวนมันทําไมความอยากมันก็แบบเดียวกันมันมาชวนเราไปเที่ยวเราไม่ไปเดี๋ยวมันก็ไม่มาชวนเราแล้วต่อไปแล้วก็ไม่มีเพื่อนอยู่คนเดียวดีกว่าเพราะเพื่อนเพื่อนแท้ไม่มีมีมีแต่เพื่อนกิน ถ้าไม่มีกินเขาไม่มาชวนเราหรอกที่เขามาชวนเพราะเขามีกินเราไปกินกับเขาร่วมกินกับเขา<ม>เขาก็เลยมาชวนเราพอเราไม่ไปกินกับเขาเขาก็ไม่มาชวนเราเพื่อนแท้ก็คือเรานี่แหละตัวเรานี่แหละคือเพื่อนแท้อตตาหิอ ah ัตโนนาโถตนเป็นเพื่อนแท้ของตนไม่ใช่ตนเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นเพื่อนแท้ของตนเนี่ยคือคําว่าอตตาหิอ ah ัตโนนาโถ ไม่มีใครเป็นเพื่อนแท้ของเรารักกันยังไงถ้าถึงเวลาจะต้องแย่งกันก็ต้องแย่งกันอยู่ดีถึงเวลาจะทะเลาะ ก, กันก็ทะเลาะ ก, กันอยู่ดีต่อให้รักกันยังไงก็ตามเห็นไหมงั้นสามีภรรยาก็าจะหยาดกันได้เลยถ้าเขารักกันจริง<ม>ใช่ไหมไม่มีหรอกที่จะรักกันจริงเพราะมันมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องว่าเดี๋ยวก็กัดกันละเคยเห็นหมาไหมมีนิทาน มีหมาตัวเล็กๆมันเล่นกันกัดกันสนุกสนานพอโยนกระดูกไปเช่นหนึ่งมันกัดกันละมันแย่งกระดูกอนี่แหละคือจิตใจของผู้ที่ยังมีตัณหาความอยากอยู่มันจะเป็นอย่างนี้นั้นอย่าไปหวังพึ่งใครหวังพึ่งตนเราเองอยู่ตามลําพังดีกว่าตนเป็นที่พึ่งของตอนพึ่งด้วยธรรมของคือสติสมาธิและปัญญาธรรมนี่แหละที่เราจะต้องมาปฏิบัติให้มันเต็มร้อยให้ได้ จะเต็มร้อยก็ต่อเมื่อเราต้องกําหนดบังคับเหมือนเหมือนพระพุทธเจ้าตอนที่นั่งอยู่ใต้โขนต้นโพรพระพุทธเจ้าบอกเจ้าอุเบกขาไม่เต็มร้อยจะไม่รู้จากที่นั่งนี้ไปถ้ายังมีตันหามาคอยเขย่ามาคอยดึงจิตให้ออกจากอุเบกขาอยู่ก็จะไม่ลุกจากที่นี่ไปอันนี้เราจะต้องเป้าถ้าไม่มีสัร จ, จาอธิษฐานเดี๋ยวพอถึงเวลากิเลสมาชวนก็ใจอ่อนไปกับมัน พอเพื่อนมาชวนไปเที่ยวก็ใจอ่อนไปกับเขามันก็เลยออกจากอุเบคขาไปไปวุ่นวายกับการไปเที่ยวเดี๋ยวกลับมาก็มาเศร้าซ้อยหงอยเหงาอยู่คนเดียวกว่าจะเดิงกลับเข้าอุเบคขาได้ก็ลิ้นห้อยกว่าจะกลับมาภาวนาเริ่มต้นใหม่ก็ลิ้นห้อยห็นพวกที่เริ่มภาวนาแล้วระมัดระวังเรื่องของการออกไปข้างนอกออกไปเที่ยว อย่าปล่อยให้มันออกออกไปแล้วก่อจะกลับเข้าข้างในได้มันเหนื่อยไม่คุ้มเหนื่อยช่วยให้อยู่ข้างในดีกว่าเีย่ยหลวงตาจึงไม่ให้พระไปนิจินิมนต์นอกวัดเนี่ยไปรักจิตนิมนต์นิจิตมันไปแล้วออกไปทางตาหูจมูกเนื้องายแทนที่อยู่กับทางเดินโยมกลมอยู่กับการนั่งสมาธิมันไปนู่นแล้วไปที่รูปเสียงกลิ่นรสผลพภะแล้วพอกลับมาวัดจะมาเดินจงกลมไอ้รูปเสียงกลิ่นรสมันก็ยังมาตตาให ม, มา่ นี่แหละคือทำไมท่านถึงไม่ต้องการให้นักภาวนาออกไปข้างนอกไม่ให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสปทัะเพราะเวลาออกไปแล้วมันเข้ายากมันเหนื่อยไม่ไม่คุ้มเหนื่อยกว่าจะเข้าได้ถ้าเป็นททบตายพอออกไปง่ายพูดเดียวเปิดประตูปั๊บมันพูดออกไปเลยแต่เวลาจะดึงมันกลับมานี่มันเหนื่อยเหมือนปล่อยลิงออกจากกรงเราปล่อยมันออกไปดูเราลองไปตามจับมันดู กว่าจะมันจับมันเข้าลงแล้เข้ากลงได้นี่โอลิ้นห้อยเลยงั้นถ้ามันอยู่ในกลงแล้วอยากปล่อยมันออกไปถ้าจิตมันเข้าสมาธิได้แล้วรักษามันไว้ให้มันอยู่ในความสงบถ้าจะออกให้มันออกไปทางปัญญาทางเดียวนั้นนั้น้มันคิดไปทางปัญญาแล้วต่อไปมันก็จะสามารถที่จะอยู่ในกลงไปได้ตลอดต่อไปมันไม่อยากออกนอกกลงก็ไม่ต้องมีกลง ไม่ต้องมีสติไม่ต้องมีสมาธิไม่ต้องมีปัญญามาเป็นกรงคอยคอยล้อมจิตจิตที่มันเชื่องแล้วจิตที่มันเห็นโทษของการออกไปข้างนอกแล้วมันจะไม่อยากออกไปข้างนอกมันจะอยู่แต่ข้างในเพราะไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับการอยู่ข้างในนั่นเองนี่คือเรื่องของการปฏิบัติเราต้องกําหนดตารางของการปฏิบัติมีเวลาเหมือนกับตารางเรียนตารางทํางาน ทำไมเลาทํางานเราทําไมเรามีตารางได้บินวันนั้นบินวันนี้พอถึงเวลาก็ต้องบินแต่ทาไมเดินจงกรมนั่งสมาธิเวลานั้นเวลานี้ทําไมไม่มีตารางบ้างมันก็เลยไม่เคยมาทาง น, นี้กันนะเรามาทําตารางของทางนี้บ้างเดินจงกรมเวลานี้นั่งสมาธิเวลานั้นเอนะแล้วถ้าทําตามได้เดี๋ยวผลก็จะตามมานะนะนะนะก็ขอให้นำเอาไปพณฑิตพิจารณา การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขหลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกบปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉะตุสพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาระโสยทามนิโชติระโสยทาสัพพติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศิลิสะนิจังวุธาปจายิโน ยัตารุธรรมวัฒนติอายุวโนสุขังภาลางต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งเข้ามาให้ผู้อ่านอ่านให้แต่อย่าถามตอนเลิกขรชุม อย่าถามหลังใหม่เพราะไม่มีมีแต่หน้าใหม่เนั้น <c oughs> ถ้าอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ค่ะวันนี้ทางเฟ c e b o o สามร้อยสามค่ะทาง y o u ู u หนึ่งร้อยเก้าสิบทางวิทยุออนไลน์สี่สิบผู้รับฟังบนเขาหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดคนรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยสิบสี่คนค่ะวันนี้หวยออกนะ คงไม่ทันแล้วเนอะมึงต้องหลอ ง, งวนหน้าถ้ามีคำถามก็ส่งเข้ามาได้เลยถามได้เลยคำถามจากผู้ฝากถามบนข่าวค่ะการสวดสอระพัญญะถือเป็นการขับร้องหรือไม่ถ้าถือศีลแปดผิดหรือเปล่าคะไม่ผิดหรอกเป็นเป็นการสวดอย่างหนึ่ง คำถามจากคุณอามค่ะการพูดโกหกถือว่าเป็นบาปซึ่งอยู่ในศีลข้อมุสาแต่ถ้าเราโกหกเพื่อให้คนที่เรารักเราห่วงใ ย, ยมีความสบายใจในก ร, กรณีที่เขากำลังพบเจอปัญหาซึ่งเราเองก็เป็นผู้ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นแต่เพื่ อ, ต, อต้องการสร้างความสบายใจให้กับเขาเราถึงได้พูดโกหกถือว่าเป็นบาปไหมครับ ก็บาปเหมือนกันอนะ่ะบาปก็บาปนะไม่ใช่ว่าทําบาปด้วยเหตุผลกลไกใดมันก็บาปแต่ถ้าเราอยากจะให้เขามีความสุขเราก็ทําบาปแล้วก็ต้องยินดูไปรับผลบาปเช่นถ้าเราอยากให้คนอื่นเขามีความสุขเราก็เลยไปขโมยเงินมาให้เขาใช้แล้วเราก็ยินดีไปติดคุกติดตารางให้เขาตำรวจเขาไม่ได้บอกว่าอยเอาเงินนี้ไปให้ทําให้คนอื่นมีความสุขไม่ผิดนะ มันก็ผิดอยู่ดีเขาก็ลงจับเราเข้าคุกตะเข้าตารางอยู่ดีคำถามจากคุณอาขวัญเวลาที่เราตั้งสัจจะไว้แล้วทำไม่ได้มีวิธีวางใจอย่างไรไม่ให้จิตใจเราขุ่นมัวคะก็ยอมรับความจริงว่าเรายังเป็นคนโกหกอยู่นั่นเองยอมรับเสียเพราะเราทำอะไรไม่ได้มันผ่านไปแล้วครั้งต่อไปก่อนที่จะให้คามั่นสัญญากับใคร ก็ต้องมั่นใจว่าเราทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็อย่าไปให้คำมั่นสัญญาไม่มีใครเขาบังบังคับคให้เราต้องให้คำมั่นสัญญากับใครถ้าเรารักษาสัจจะไม่ได้เราก็อย่าไปให้สัจจะกับใครแม้กับตัวเองคำถามจากคุณพรมแสงในกรณีที่ถูกเรียกขอให้ใจ่ายเงินใต้โต๊ะเมื่อยื่นขออนุญาตจากทางราชการ ถ้าจ่ายเงินไปตามที่มีการเรียกร้องจะถือว่าบาปไหมเจ้าคะเราไม่บาป แ, แต่คนที่เขาเรียกร้องอาจจะบาปเพราะเขาทำผิดกฎผิดกฎหมายผิดกฎระเบียบเป็นการคอร์รัปชันเป็นการโกงกินอันนี้ก็เป็นเป็นความผิดของเขาไม่ใช่ความผิดของเราคำถามจากคุณมาลีค่ะหนึ่งอ่านหนังสือธรรมะ ที่เขียนโดยพระที่เราคิดว่าท่านสอนไม่ถูกต้องเราควรจะทิ้งไปกับหนังสือพิมพ์ที่เราจะขายหรือควรจะนำไปทำลายย่อยสลายคะก็ได้ทั้งนั้นนะถ้าเราคิดว่าเป็นหนังสือที่ผิดเป็นโทษเป็นอันตรายต่อผู้อ่านเราก็เอาไปเผาทิ้งก็ได้ข้อสองค่ะคนที่ฆ่าสัตว์นาเนื้อมาขายให้เราได้รับประทานเขาบาปแน่ๆ แต่ถ้าไม่มีเขาเราก็จะไม่มีเนื้อสัตว์รับประทานในส่วนนี้เขาจะได้บุญบ้างไหมคะได้ถ้าเขาให้เรากินฟรี <c oughs> ถ้าเขาไม่เก็บเงินเขาก็ได้บุญเหมือนเขาเอาไปใส่บาตรนี้เขาก็ได้บุญเพราะเขาไม่เก็บเงินแต่ถ้าเขาเก็บเงินเขาก็ไม่ได้บุญเขาได้เงินแทนคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ <c oughs> เจ้ากรรมนายเวรมีจริงหรือไม่ เราจะหลีกเลี่ยงเจ้ากรรมนายเวรได้อย่างไรถ้าเขาจะมาเอาชีวิตเราเป็นไปได้ไหมเราควรจะแก้ไขอย่างไรก็คนที่เราไปทำให้เขาโกรธนั่นแหละก็คือเจ้ากรรมนายเวรเราเราไปฆ่าพี่น้องเขาเขาก็อยากจะมาฆ่าเราล้างแค้นกันไปล้างแค้นกันมานี่ก็คือเจ้ากรรมนายเวรวิธีที่มันจะทาให้เราไม่มีเจ้ากรรมนายเวรก็อย่าไปทาร้ายผู้อื่น อย่าไปสร้างเวรอย่าไปทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนเขาก็จะไม่มาทําให้เราเสียหายเดือดร้อนกฎแห่งกรรมคําถามจากคุณสุนันทาค่ะโยมสงสัยว่ากราบพระภิสุสง์ต้องกราบกี่ครั้งกันแน่เจ้าคะสามครั้งกราบพระพุทธรูปแล้วกราบพระสงฆ์ก็เหมือนกันกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คําถามจากคุณมงคลค่ะ เวลาขับรถถ้าจเจริญสติท่องพุทโธไปด้วยจะเสียสมาธิจนเกิดอุบัติเหตุได้หรือเปล่าครับถ้าอยู่กับพุทโธโดยไม่ได้อยู่การขับรถมันก็เกิดอุบัติเหตุได้เห้นการขับรถนี้ควรจะมีสติอยู่กับการขับรถเ ป, เป็นอันดับแรกแต่ถ้าใจเราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะใช้พุทโธดึงให้มันกลับมาที่การขับรถก็ได้ ถ้าเราขับรถไปแล้วคิดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากที่ทำงานหรือปัญหาครอบครัวใจไม่ได้อยู่กับการขับรถเราก็ใช้พุทโธหนึ่งกลับมานึงให้กลับมาอยู่ที่การขับรถถ้าเราพุทโธกับการอยู่กับการขับรถก็ก็ถือว่าใช้ได้พอเราอยู่กับการขับรถเราก็หยุดพุทโธได้ถ้าเราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพระอาจารย์คะแล้วถ้าเราอยู่กับการขับรถแล้ว เราหงุดหงิดกับการขับรถนะคะก็จอดรถเลยนอนได้ก็อย่าไปขับเลอยู่บนทางด่วนนะคะอ่าก็ทางด่วนก็ทํายังไงก็ก็พุทโทรไปให้มันหายหงุดหงิดนะคาถามจากคุณวิค่ะขอคําแนะนําจากพระอาจารย์เรื่องการนั่งฟังธรรมที่ดีควรจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดปัญญากับการฟังธรรมเจ้าคะก็ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบนั่นเอง กายต้องนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเช่นขับรถไปแล้วฟังธรรมไปนี้ก็ยังถือว่าไม่ถูกตามหลักของการฟังธรรมแต่ก็ดีกว่าการฟังเพลงเท่านั้นเองแต่ยังไม่ได้ฟังธรรมเต็มร้อยเพราะใจต้องแบ่งไปกับการขับรถกับการฟังธรรมก็เลยได้ครึ่งหนึ่งขับรถไปฟังไปสลับกันไปสลับกันมาถ้าจอดรถแล้วฟังธรรมตลอดอย่างเดียวนี้จะได้มากกว่า กายต้องต้องนิ่งกายไม่เคลื่อนไหวไม่ทำอะไรวาจาก็ต้องนิ่งไม่พูดอะไรกับใครใจก็ต้องไม่คิดอะไรกายกายกับวาจาที่นิ่งเรียกว่าศีลใจที่นิ่งไม่คิดเรื่องอะไรเรียกว่าสมาธิถ้าเราฟังด้วยกายวาจาใจที่นิ่งก็เท่ากับการฟังธรรมด้วยกาด้วยศีลด้วยสมาธิถ้ามีศีลมีสมาธิฟังธรรมก็จะเกิดปัญญาขึ้นมา ได้สมาทิฏฐิได้ความสงบคําถามจากคุณมิเชลค่ะหนูชอบเล่นโทรศัพท์มากแก้ปัญหาด้วยการตั้งภาพพื้นหลังโทรศัพท์เป็นผ้าพระอาจารย์เพื่อจะได้ไม่เล่นเพลินเกินไปแต่มีเหตุต้องวางโทรศัพท์ไว้ที่พื้นจะถือเป็นการไม่เคารพต่อพ่อแม่ครูอาจารย์หรือไม่เจ้าคะถ้าเราคิดว่าครูบาอาจารย์อยู่ในโทรศัพท์มือถือเราก็ต้องรักษาให้มันดี ถ้าเรา <c oughs> ไม่คิดว่าท่านอยู่ในนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราคิดว่าท่านอยู่ในมือถือเราก็ต้องถือว่าถ้าเราไปวางไว้ที่ต่ามันก็ไม่เหมาะสมในเมื่อเรามีสิ่งที่เรานับถืออยู่ในโทรศัพท์เราก็ต้องให้ใช้โทรศัพท์นั้นให้มันเหมาะสมกับเหมือนกับเป็นเป็นพระพุทธรูปเป็นรูปของครูบาอาจารย์ถึงแม้ว่าเราจะปิดมันมองไม่เห็นมัน ก็เหมือนกับเอารูปครบาอาจารย์ใส่ถุงไว้แล้วก็ไปวางไว้ที่ไหนอย่างนั้น <c oughs> คำถามจากคุณอุ๊คะ่ะพระอริยเจ้าเวลาเจอผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากหรือได้รับผลของกรรมอยู่ท่านจะช่วยเหลือเท่าที่ช่วยได้ถ้าช่วยไม่ได้ท่านก็ไม่มีอารมณ์เศร้าใช่ไหมคะอ่าใช่ท่านก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรมไปอุเบกขาไปเมื่อทำอะไรไม่ได้จะให้ทายัางไง คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะลูกสะพ้ายทำคุณใสใส่ลูกชายตอนนี้เป็นเหมือนทาาของเมียลูกควรทำอย่างไรคะก็ปล่อยวางเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานะคำถามคำถามจากคุณวิค่ะคำว่ารูปชานสี่ รูปฌ<ร><พ> า, านส <4 S 2> ีน่ ก, ก็ความสงบขั้นต่างๆมีอยู่สี่ขั้นพอเราเริ่มต้นเราเพ่งจิตอยู่กับลมหายใจหรือพุโทโธเราก็เข้าสู่ฌานหนึ่งลแล้วถ้าเราไม่ไปคิดเรื่องอื่นเราอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจก็เรียกว่าเข้าสู่ฌานหนึ่งมีวิตกมีวิจารณ์มีตรมีตรองตึกก็ตรที่ลมหรือตรที่พุโทโธตรองที่พุโทโธ ถ้าตึกตองไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวก็จะเกิดปิติขึ้นมาเกิดสุขขึ้นมาแล้วถ้าถ้าดูลมหรือพุทโธไปเรื่อยๆต่อไปปิติก็จะหายไปสุขก็จะหายไปก็จะเหลือแต่อุเบกขาเหลือแต่นี่ก็เป็นฌานขั้นต่างๆอยากจะดูลายละเอียดต้องลองเปิดมือถือดูนะเขียนเข้าไปรูปฌานสี่เดี๋ยวเราก็จะมีอธิบายว่าฌานแต่ละขั้นมีอะไรบ้าง ตอนที่จําได้ขั้นแรกก็จะมีวิตกวิจารณ์มีสุขมีปิติขั้นที่สองมีอะไรเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ต่อไปก็สุขก็หายไปอะไรก็ปิติก็หายไปเดี๋ยวก็เหลือแต่อุเบกขาเวลาจิตสงบเต็มที่วิตกวิจารณก็หายไปเพราะหยุดตรึกหยุดตองหยุดพุทโธหยุดดูลมอันนี้ก็คือความสงบขั้นต่างๆ เราจะต้องการเข้าถึงฌานขั้นที่สี่คืออุเบกขาที่เราเรียกว่าอัปปนาสมาธิพอจิตรวมเข้าสู่ฌานที่สี่ก็จะมีอุเบกขาเอกขับตารมสักแต่ว่ารู้อารมณ์เป็นหนึ่งมีความรู้เป็นเป็นเป็นหนึ่งไม่มีไม่ได้รู้กับอะไรรู้กับความว่างมีอุเบกขาอุเบกขานี่ก็เป็นความสุขรูปแบบหนึ่งไม่ใช่เป็นความสุขที่เกิด จากฌานขั้นอื่นๆอันนี้เกิดจากความสงบนัตสันติบรลังสุขขังอันนี้คือเรื่องของฌานคำถามจากคุณจันเพนค่ะจะจริงไหมคะถ้าคนเราสินเสมอกันถึงจะได้อยู่ด้วยกันค่ะก็ไม่แน่หรอกสินเสมอกันแต่ถ้าชอบไม่เหมือนกันก็อยู่กันไม่ได้ไง คนหนึ่งชอบกินก๋วยเตี๋ยวคนชอบกินก้าวผัดเดี๋ยวก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็มันต้องชอบเหมือนกันทุกอย่างศีลก็ต้องเสมอกันก็จะอยู่ด้วยกันได้คนหนึ่งชอบดูหนังผีคนึชอบดูหนังตลกเดี๋ยวก็อยู่ด้วยกันไม่ได้หมดแล้วแหละหมดแล้วก็เอาแค่นี้แหละเพราะว่า